เมื่อโลกนี้ไร้แสงสวัสดีครับอาทิตย์ก็มืดมิด สมัยก่อนนี้ในมีความเพียนมากจีนนะครับมีภิกษุรูป ตามที่ท่านเองคิดไว้ที่ท่านเองคิดไว้เวลาอาจารย์บรรยายธรรมท่านก็ไม่มีความสน พอได้โอกาสท่านก็ถามว่าเอ้ผักนี้ไม่เห็นท่านมีกิจ อ่าเพื่อจะได้ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติต่อไปครับอะไรที่ว่าพอแล้วพอแล้วก็คือเต็มมันบรรจุไม่เต็มอ่ะมันบรรจุไม่ลงอีกแล้วอ่ะครับก้อนกรวดใส่ลง ก้อนกรวดในถังนี้เต็มแล้วหรือยังเต็มแล้วครับเต็มแล้วครับอาจารย์ 2-3 กำมือปรากฏว่าทรายนั้นก็หายไปหมดเลยแล้วก็มันก็ ปรากฏว่าผงหินปูนเออดูเหมือนจะเต็มแล้วครับพระอาจารย์ก็เอาน้ํามา เมื่อพูดถึงเรื่องของการฟังธรรมเนี่ยบางคนนี่เบื่อหน่าย พูดตรงๆไม่ต้องเสกสรรค์ปั้นแต่งท่าน ญาติโยมก็คุยท่านก็หยุดเทศน์เทศน์แล้วก็พูดผ่านไมโครโฟนเสียงดังเนี่ยเอ่อหลวงตาตื้อเทศน์ดีๆมาให้ฟังกันเสียงดีเสียงให้ฟังก็ไม่ฟังเอ้างั้นฟังเสียง หยิบไมโครโฟนแล้วตอดปูดไปจ่อที่ก้นตัวเองแล้วตดปูดเสียงดังผ่านลําโพงเออเสียงดีอืม นี่หลวงตาตื้ออ่าหลวงปู่ตื้ออัจฉละธัมโมทีนี้มาดูเรื่องการเทศน์กับคนสมัย มัณฑนาพระหนุ่มก็ซุบซิบกันว่าหลวงปู่ตื้อนี่ท่านไม่พัฒนาเลยเทศน์โบราณมีแต่ของเก่าๆไม่ทันยุคทันสมัยเลยเดี๋ยวนี้มันต้องเทศน์ดัก ท่านก็นิมนต์พระอ่าเดี๋ยวหลวงตาจะๆทันสมัยนะเอ่ออยากจะ แบบใหม่ตามยุคตามสมัยตามแบบพระผู้มีปริญญามหาปริญญาเทศออกทีวีพระมหาหนุ่มก็ขึ้นต้นว่านะโมเท่านั้นหลวงปู่ตื้อท่านบอกให้หยุดหยุดๆๆๆๆคุณเหลนหยุดไม่เอาไม่เอานะโมมันของเก่ามีมาตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วโบราณโบราณค่ําคึไม่เอา ญาติโยมทั้งศาลานี่หลวงปู่ตื้ออัจฉละธัมโมนะท่านสมเด็จว่าหลวงปู่ตื้อนี่ท่านไม่กลัว หลวงปู่เตื้อท่านชอบทําอะไรแปลกๆผิดไปจากสมณรูปอื่นเนี่ยหลวง บุคลิกลักษณะเดิมหรือที่พระท่านเรียกว่าวาสนาเดิมก็ยังติดตัว แต่ว่าเป็นวาสนาเดิมใจของพระยังมีเหลือแต่กริยา ซึ่งไม่ต้องปรุงแต่งแสดงออกไปตรงๆตามวัษนะเดิมของท่านไม่สามารถจะเจริญสุขจังหวัดสิงห์บุรีบอกว่ามีผู้หญิงอีหนูพยาบาลคอย ไอ้เรื่องเพศชายเพศหญิงไม่สามารถจะทําให้ท่านเกิดกามกิเลสได้มันไม่ แล้วก็ไปมรณภาพวัน 19 กรกฎาคมปี 2517 สิริรวมอายุได้ 86 ปีท่านเกิด 2431 วัน 3 กุมภาพันธ์ที่จังหวัดนครพนม หลวงปู่มีพี่น้องร่วมบิดามารดา มาตั้งแต่ดั้งเดิมสนใจต่อพระพุทธศาสนาเป็นที่น่าสังเกตว่าบรรดาผู้ชายเนี่ยล้วนมาบวช คุณเคยกับพระกับเจ้าเป็นอย่างดีแล้วก็มีความปรารถนาที่จะบวช ไอ้หนูแกยกสากนี่ออกจากครกได้มั้ยโธ่เอ้ยคณะ เสร็จแล้วก็ปรากฏว่าท่านเห็นภิกษุ 2 เออหนูน้อยเอ้ยเจ้ามีกําลังแข็ง อ่าถ้าบวชก็ดีจะได้มีโอกาสประพฤติปฏิบัติธรรมตอน คำว่าอ่าอาจารย์หรือว่าพ่ออาจารย์ปู่อาจารย์เนี่ยทางอีสานเนี่ยหมายถึงผู้เมื่อหลวงปู่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 จะนานเท่าไหร่ก็ได้ไม่เป็นไรหลวงปู่ตื้อถึงก็ปลื้มใจมาก เป็นพระมหานิกายบวชกับพระเป 21 ปีบวช 19 พรรษาแล้วก็มา หลวงปู่ตื้ออยู่ในฝ่ายธรรมยุต 46 พรรษาจวบจนรวม 65 พรรษาตอนนั้นหลวง ตามที่พระเนนเค้าใช้สวดกันเป็นประจำ เลยบอกปู่จารย์ศิษย์บอกอาตมายังๆในหมู่บ้านอื่นรวม พอรู้สึกว่าใจคอมัน 5 ศีล 8 อาราธนาพระเทศน์ยังทําไม่คล่องเหลือจําๆถูกๆถ้าสึก จะขอบวชไปเรื่อยๆก่อนว่าอย่างนั้นหลวงปู่ตื้อบวชจนกระทั่งมาเรียน สำนักที่วัดโพธิสมภรระยะหนึ่งก็เรียนรู้เกี่ยวกับการทําอุปนิสัยของท่านท่านก็เลยเลิกล้มความตั้งใจที่ว่าจะไป ท่านก็พร้อมจะออกตุดงแล้วเป้าหมายแรกของท่าน อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีหยุดภาวนาอยู่ที่นั่นหลายวันแล้วก็ๆแห่ง ก็เริ่มนั่งสมาธิไม่ได้สักชั่วโมงเสียๆมาจากไกลเหมือนก็เสียงลม รวบชายสะบงด้านหน้าเอาลอดวางขาแล้วมันเหน็บไว้ที่ขอบ ประมาณ 20 นาทีปูงพึ่งก็พากันบินจากไป 2 ชั่วโมงเสียเสร็จก็ มีรูปร่างใหญ่โตมากมาหยุดยืนดูท่านนานพอสมควร เทวดาองค์หนึ่งก็พูดขึ้นบอกว่าอาจารย์ครับว่าตอนนี้ไม่มีใครอยู่เฝ้ารักษาแล้วพูดเท่านั้นเทวดาทั้งสองก็หายไปหลวงปู่ก็ไม่ได้ออกค้นหาพระพุทธรูปตามที่เทวดา แต่ว่ามุ่งค้นหาสัจธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแถวใกล้นครเวียงจันทน์หลวงปู่ตื้อไปปักโลดภาวนาบนเส้นทางช้างศึกของเจ้าอนุวงศ์กษัตริย์ในประวัติศาสตร์ของลาวนะหลวงปู่ปักโลดภาวนาอยู่บนเส้นทางๆส่วน เดินผ่านมาทางที่ท่านปรากฏอยู่ ท้ายก็เป็นวิญญาณที่มืดบอดจากคุณธรรมๆแถวนครเวียงจันทน์อยู่ 4 เดือนๆเขาจะ ซึ่งคนที่นั้นรู้จักเชียงรายหลวงปู่ตื้อเล่าให้ นอกจากพระไทยแล้วบางครั้งก็พบกับพระพม่าซึ่งท่านก็ออกท่องเที่ยวทุรดงไปเหมือนก็ภูเขาสูงมากมาย ได้อรุณก็ตื่นออกเดินทางท่าน เดินออกจากเขาลูกนึงบริเวณเชิงเขาเป็นป่าละเมาะมี ไสเหมือนเก่าอ่ะท่านก็เดินเข้าไปอีกก็แปลกใจ หลวงปู่ตื้อก็ตัดสินใจกลั่น แล้วๆภายในท่านอยากจะได้อะไรก็จะมอบให้หมดท่านอยากจะได้อะไรก็จะมอบๆนั้นก็เพราะว่าเอ่อคือ พวกขาน้อยนี่เป็นพวกกายทิพย์มี ฉันไม่ได้ฉันอะไรมาห้าวันแล้วไม่แต่ถ้าท่านพยายามเดินทางให้เร็วก็จะถึงเร็วฉันอะไรมา 5 ท่านก็ออกเดินทางไป นับเป็นวัน 5 วันที่แล้วๆแต่ว่าหลวงปู่ก็แสดง เดินไปตามภูเขาและดง 5 ทั้ง 6 แล้วก็เข้าสู่เขตพม่าบริเวณเมืองเชียงตุงสมัยนั้น นอกจากว่าเข้าไปบินธบัดพอได้อาศัยเท่านั้นท่านได้พกเอ่อพระพม่าบาง คือหายสาปสูญไปเลยก็มีมรรคหลวงปู่บอกว่าพระพม่านี่เก่งทางคาถาอาคมมากๆให้เพื่อความการ ทางเดินสบายๆนี่ไม่มีเลยถ้าวันๆแค่ 2-3 กิโลเมตรเท่านั้นป่าป่าก็ 7-8 กิโลเมตรเท่านั้นจริงๆแล้วต้อง หลวงปู่ตื้อบอกว่าการภาวนาตาม เข้ามาทางจังหวัดน่านลงไปเกียงเมืองแพรแล้ว ท่านทั้งสองเคยร่วมทุโดงไปยังสถานที่ต่างๆหลายต่อหลายแห่ง แล้วก็หลวงปู่ตื้อหลวงปู่แว่นสมัย หลวงปู่แหวนเคยเข้ากราบถวายตัวเป็นศิษย์และ เพราะว่าได้ยินกิตติศัพท์เรื่องลือเกี่ยวกับปฏิปทาจริยวัตรของ ในระหว่างนี้เราควรจะจาริกทุรดงไปตามเส้นทางของ อาศัยเดินมุดป่าไปตามรอยช้างไป แม่น้ำโขงก็ไหลเชี่ยวจัดเพราะว่าเป็นคูงน้ําไหลผ่าน 1 กิโลเมตรมองไม่เห็นเรือแพอยู่แถวนั้นเลยหลวงปู่ๆก็ลืมตา อีกสักพักก็มีเรือหาปลาภายผ่านมาพอเห็นพระหนุ่มทั้ง 2 รูปยืนอยู่ที่ฐานน้ําก็ ที่เอาเรือมารับพระค่ําฝากเนี่ยนะขอให้มันทําความดี ต่อมาภายหลังนี่ทราบว่าๆแล้วก็หันมาทํานาทํา ทั้งหลวงปู่ตื้อหลวงปู่แหวนซึ่งเป็น ชาวป่าพวกนี้ไม่ทราบว่าพระภิกษุเนี่ยรับอาหารยามวิการคือหลังเที่ยงวันไปแล้วไม่ได้แต่ว่าพวก พอรุ่งเช้าหลวงปู่ตื้อหลวงปู่แหวนก็เข้าไปบิณฑบาต ทั้งหลวงปู่ตื้อหลวงปู่แหวนเดินทางไปถึงหมู่ หลังจากหนั่นไก่ย่างร้อนๆ ก็ถูกนำมibles Laureaoрут ตรงหน้าหลวงปุส่างสองสนนเเน пожินประเครณอหารด้วยความนอบนอม question. นิมลครูบานะครับนิมลครับ หลวงปุถ甚الทั้งสองก็รับประเครณอหารจากเนย์ให้สีในพรตามธรรมเนียม แล้วท่านจะถืนพระวินาإช Excel part of tradition ย่างร้อน ถึงแม้ว่าท่านทั้งสองจะไม่เห็นแต่ท่านก็รู้ท่านได้ยินเสียงอ่ะ คือทั้ง 2 องค์นี่มีอุปนิสัยภายนอกที่แตกต่างกันอย่างมากเลยก็อย่างที่ว่าหลวงปู่ตื้อท่านห้าวอ่าออกจะดุๆแต่หลวงปู่แหวนน่ะนิ่มนวลเยือกเย็นเหมือนผู้หญิงเรียบร้อยท่านก็ร่วมเป็นสหทรรภิกไปอง หลวงปู่แหวนน่ะพูดน้อยพูดๆแทบไม่ได้ยินๆเทศก็ไม่ชอบเทศมีแต่ หลวงปู่ทั้ง 2 องค์ก็ยังพำนักอยู่ในภาค ท่านบันทึกการเดินทางทุรดงของหลวงๆทั้งในประเทศและนอกประเทศเท่า ในเขตภาคอีสานนอกจากอุบลราชธานีแล้วหลวงปู่แหวนนี่พักอยู่ที่อุดรธานีเป็นส่วนใหญ่ เมื่อหลวงปู่แหวนกลับมาพักผ่อนหลังจากจาริก 15 วันก็ๆจนเม 12 ปันนา 12 จุไทยทางเหนือแต่ หลวงปู่ตั้ง 2 ออกจากท่า리จังหวัด เสร็จแล้วหลวงปู่ตื้อก็แยกตัวไปพักที่อำเภอ ตอนหลังทั้งหลวงปู่แหวนหลวงปู่ตื้อได้ไปกราบหลวงปู่มั่นที่เชียงใหม่โดยหลวงปู่แหวนได้ยัตติ ของพระพุทธศาสนาและท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณอุปมาจารย์มาถึงจังหวัดเชียงใหม่จะขึ้นรถยนต์รถ เป็นรถของหลวงอนุสารสุนทรอีกคันหนึ่งเป็นของใครจําเปเป 37 ปี ตอนนั้นปี 2468 ท่านอายุ 37 ปีเมื่อท่านได้บวชเป็นธรรมยุตก็พำนักอยู่ที่ เป็นลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดและหลวงถามแล้วก็พูดด้วยเสมอจึงถือว่าหลวงปู่ตื้อเนี่ยเป็นลูกศิษย์เอก วันหนึ่งหลวงปู่มั่นก็ได้นิมิตเห็นถ้ำพระปัจเจกกับพุทธเจ้าอยู่บนดอยเสียงดาวสูงขึ้นๆถึงจะขึ้น นอกจากหลวงปู่ตื้อแล้วก็ยังไม่มีใครเหมาะสมที่จะขึ้นไปได้ก็เลยบอกให้หลวงปู่ตื้อ มีทางเดียวต้องปีนป่ายๆต้องเดินเอี้ยวหลบเข้าไป แต่ก็ไม่มีวี่แววว่าจะพบถ้ำๆนี่ไม่ได้สอ 4 ชั่วโมงกว่าบนยอดเขาก็มีลมพัดแรงมากตก แล้วก็นั่งสมาธิภาวนากันทั้งคืนยิ่งแท้ๆอาศัยทําหน คณะหลวงปู่ตื้อก็เดินอยู่จนเที่ยงวันก็ถึงบริเวณ เวลาหมดซะแล้วท่านผู้ฟังศีลธรรมไม่กลับมาโลกา ติดต่อร่วมบุญได้ที่อาจารย์ยอดหมายเลขโทรศัพท์ 0846438770 0846438770 ครับหลังจากที่หลวงปู่ตื้อและคณะฉัน เดินอยู่ถึงเที่ยงวันก็ถึงบริเวณหนึ่งที่เข้า พอเสียงนั้นเงียบหายไปก็มีเสียงอีกเสียงหนึ่งพูดขึ้นว่างูใหญ่งูใหญ่ ไม่ได้มุ่งจะมาเอาอะไรมุ่งจะมาเอาอะไรแต่ว่าประสงค์จะขึ้นมาดูถ้ำ จึงกระทั่งไม่สามารถจะหยั่งถึงได้หลวงปู่เกาะแพไปอีกกี่ฝั่ง ถ้ำนี้มีลักษณะพิเศษกว่าถ้ำๆลักษณะของถ้ำธรรมชาติน้ําสะอาดน่าดื่มน่ากินนอกประเภทไม้ผลที่อุดมสมบูรณ์ใบ คงไม่มีใครขึ้นไปได้ไม่มีใครขึ้นไปได้หรือว่าถ้าขึ้นไปได้ก็คงไม่ หลวงปู่ตื้อบำเพ็ญภาวนาอยู่ภายในถ้ำจนครบ 5 วันๆแต่ว่าไม่มี 5 วันบ้านคนไม่มีไม่รู้จะไปบิณฑบาตที่ไหนแล้วอีกประการนึงที่เป็นปัญหา ผัดหูแต่ข้างนอกไม่ดีตาอยู่ลําบากอยู่ในถ้ําก็สบายดี แต่พอขึ้นไปบนสัก 10 หรือ 15 ว่าหน้าผาๆทางอื่นที่จะขึ้นไปก็ๆทั้ง 2 ซํารอบถ้าขึ้นไป จะขึ้นไปได้และลงมาได้อย่างนี้ก็สามารถมากแล้วหึเก่งเมื่อออกจากถ้ําเชียงดาวแล้วหลวง ยืนขวางทางอยู่ตรงช่องแคบนั้นคณะก็ เดี๋ยวเราขอคุยด้วยหน่อยกลางยืนนิ่งไม่หวั่นติงเหยียบ แล้วพวกเราก็กลัวพี่ชายมากพวกเราก็กลัวพี่ชายมากพี่ชายหลีกให้เราหน่อยได้มั้ย พอเดินไปเรื่อยเผอเอิ้นพอหลวงปู่แหวนผ่านช้างบ่ได้ แล้วก็ให้กลับไปช่วยหลวงปู่แหวนจนปลดตะขอ แล้วพวกเราไม่กําหนดดูใจเค้ามันดูบ้างช้างตัวนั้นเวลา ใน 12 ปีท่านออกท่องทุรดงเพื่อบำเพ็ญๆหลวงปู่ปี 2482 หลวง เจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรจังหวัดอุดรธานีเพื่อให้ท่านกลับไปเผย หาความสงบทางใจหลวงปู่ตื้อได้สร้างวัดกรรมฐานขึ้นหลายแห่งที่มีชื่อเสียง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 ตั้งอยู่ตำบล 50 ปีเรื่องของท่านมีมากของท่านเนี่ย เพื่อไปสำรวจภายในถ้ําเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ เคยมีคนเข้าไปดูได้ 2-3 กิโลเมตรเท่านั้นถ้ําเชียงดาวจึงยังคงเป็นสถานที่ลึกลับอยู่ โดยเฉพาะขาออกจะได้ออกมาตามทาง พอเข้าถ้ําก็เริ่มรวยใบฉําฉาไปทีๆท่านต้องระวังเรื่องๆทั้งเล็กทั้งใหญ่อาศัยอยู่เป็นจํานวนมากหลวงๆขนาด ทางที่จะเดินต่อไปก็ต้องลุยน้ําไปเมื่อพิจารณา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 ในครั้งที่หลวงปู่ตื้อท่านทุดง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 ก็กล่าวถามต่อไปว่ากล่าวถามต่อไปว่าท่านเทวดาผู้เจริญท่านเป็นพระ หลวงปู่ตื้อได้กราบเรียนถามเรื่องนี้กับหลวงปู่มั่นหลวงปู่ที่เห็นน่ะเป็น สำหรับเทวดาตนที่มีรูปดอกบัวบนฝ่ามือนั้นเป็นผู้ที่กําลัง อ่ามีศรัทธาที่เป็นศีลนั้นหลวงปู่ตื้อท่าน ตถาคูณพระธรรมคูณพระสังฆคูณอุทิศตนให้กับการปฏิบัติความ เมื่อเจอสถานที่เหมาะก็บําเพ็ญภาวนาทําความเพียรๆปักรดภาวนาหลายคืนที่นั่นอากาศดีวิญญาณพวกเทวดาวิญญาณโอปาติกะทั้ง อยู่ในมงกุฎก็เกิดมีแสงๆสว่างจ้ามาครอบมงกุฎของท่านหลวงปู่บอกว่าระยะนั้นรู้ อยู่ไม่นานเท่าไหร่แสงประกายสายรุ้งนั้นก็ค่อยๆคลายความสว่างจ้าลงแล้วก็หวิวหวิวเกิดพุทโธอย จะตายก็ขอให้ตายด้วยอีกสักครู่ก็ปรากฏเป็นร่างคนตัวๆสูงใหญ่สัก 10 ศอกเห็นจะได้ คราวนี้อายุสัก 27 28 ปียังหนุ่มอยู่คราวนี้มาด้วยๆพอกราบไหว้แล้ว ใครเป็นคนทำสายรุ้งครอบมงกุฎของเราใครเป็นคนทำนิ้ว จะตายก็ไม่เสียดายอะไรเพราะว่าเราได้นับถือมอบกายถวายชีวิตให้ เสียเวลาในการสร้างบุญบารมีปรากฏว่าดวงวิญญาณที่มาก็กราบขอขมาท่านขอรับศีล แต่ว่าระยะหลังๆตอนบั้นปลายของชีวิต แม่น้ํานี้ลึกท่วมหลังช้างเท่านั้นไม่ลึกมากเท่าไหร่ๆแล้วก็ เมื่อเข้าไปในถ้ํานั้นจะเห็นหินยาวรีมีก็ได้และภาย ก็กราบลาแล้วก็หายไปหลวงปู่ตื้อๆๆซึ่ง ที่นี้เห็นหินก้อนใหญ่เหมือนภูเขาทั้งลูกตั้งอยู่กลางๆรอยพระสูง 4 ศอกโดยๆหลวงปู่ก็ ภาวนาอยู่ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนตามต่างๆท่านมักจะเจอพวกกายทิพย์แล้วก็มีเหตุการณ์ประหลาดๆมัก แต่ลงปูก็ไม่เคยสนใจหลวงปู่ก็ไม่เคยสนใจ และเมื่อเราแผ่เมตตาให้เนี่ยพวกนี้ก็ยิน มีอยู่คืนนึงขณะที่หลวงปู่กําลังเดินจงกรมอยู่ปรากฏมีงูใหญ่ตัวนึงเลื้อยออกมาหยุดข้างทางเดินจงกรมของท่านพอหลวงปู่เดิน เราอุตส่าห์มาเยี่ยมถึงที่ท่านน่าจะต้อนรับ มันเฝ้าดูอยู่ไม่นานก็คลายขนดแล้วก็เลื้อยหายคล้ายๆจะคร่อมทาง ไม่สนใจอีกแล้วนะแต่ว่ารู้สึกว่าเหม็นระคมมากขึ้นทุกทีทุกทีจนรู้สึกว่าจะทนไม่ไหว พุทโธอยู่ในอารมณ์ตลอดตอนนี้จิตใจท่านไม่หวั่นไหวหรือเดินแล้วพูดขึ้นบอกว่าเดี๋ยวมึงรออยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวรู้เรื่องหลวงอ่าเอาเทียนไปติดที่ปลาย ผีเปรตตัวนั้นยังนิ่งเฉยส่งเสียงหูเรอเยอะท่านหลวงปู่ก็เดินเข้าไปใกล้กับพุ่มเทียนเค้าใส่มันจริงๆได้ผลไอ้ผีเปรตตัวนี้ก็โจรหายไปเลยอ่าแล้วก็ไปปรากฏที่ หลวงปู่ก็เข้าทางเดินจงกรมต่อไปพอได้เวลาพอสม เสร็จท่านก็พยายามคมใจนั่งสมาธิต่อมันก็มากลับมาเป่าทางหูซ้ายท่าน นี้ไม่นานก็กลับมาอีกก็ทําอยู่อย่างเนี้ยหลวงปู่ก็คิด ท่านคิดจะทําอะไรรู้สึกว่ามันจะแล้ว ถึงตอนเช้าหลวงปู่ตื้อก็ว่าเอ่อท่านตื้อเมื่อคืนเนี้ยทําเออ ดีแล้วท่านตื้อผีมันปลุก ก็คือได้ก็ในลักษณะที่มันยอมแพ้ไปๆคงจะมารบกวน คำว่าพุทโธนี่แหง่ผีกลัวมากที่สุดดังว่าอย่างนั้นสมัยที่ท่านท่องทุรดงอยู่ ในคืนนั้นทั้งชาวบ้านรวมทั้งวัวควายต่างพากันตนกกลัวต่างเฝ้า หลวงปู่ท่านบอกว่าท่านเองก็ไม่ประมาทคอยระมัดระวังอยู่สมาธิภาวนาอยู่ข้างอะไรพอตกดึกเสียง จิตท่านก็สงบแนบแน่นอยู่ในสมาธิไปจนถึงเวลาไก่ขัน เมื่อครั้งสมัยเมืองเวียงจันทน์แตกพระอาจารย์จะเอาไปก็ได้แต่ก่อนจะเอา ในขณะนั้นท่านหลวงทหารและหลวงซาได้นํามาฝาก เป็นผู้ชายสูงใหญ่ตัวดํามากท่านบอกดํายิ่งกว่า เขาก็ตอบย้ําคําเดิมฟังไม่ได้ความมันเป็นชาติอะไรกัน ทีกาวุโสประกาศตัวเองว่าชาติก่อนเป็นเจ้านครเวียงจันทน์เข้ามาหาท่านท่านทีกาวุโส เจ้าปู่เห็นท่านไปบิณฑบาตแล้วไม่ค่อยมีคนใส่บาตรๆต่ออย่าง วันนี้เป็นวันที่เจาปูจะไปจากที่นี่แล้วพูดเพียงแค่นั้นเจาปูเทพบงนั้นก็หายวักไปโ Thirty ที่พระพูดทุบาทบวix ภูติบางโ får อุดรรธานีเป็นครั้งที่สองตอนที่โรงปูกำนังเดินจงกรมเกิดมีก้อนหินตกลงมาจากที่สูงหลายสิบก่อนแต่ว่าตก lived คราวนี้คล้ายๆกับถูกปลาลงมาใกล้ทางเดินจงกรมมากกว่าเดิมๆใครเก่งก็ออกมาสู้กัน หยุดเดินจงกรมแล้วเข้ามุ้งกลอดนั่งสมาธิภาวนาต่อเสียงก้อนหินๆไม่รู้คน 5 คนหลวงปู่ก็บอกให้พระอีก ก็มีเสียงดังคล้ายๆมีคนออกแรงผลักก้อนหินขนาดใหญ่กลิ้งลงมาจากยอดเขาเสียงนั้นจริงๆไอ้ดําไอ้ดําปี่เนี่ย ทั้งหลวงปู่ทั้งโยมที่มารักษาศีล หลวงปู่ตื้อก็ถามพระองค์นั้นว่าท่านจะไปที่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 ใครก็ไม่รู้เป็นคนกวีนทุกคนอยู่ที่นั้นก็ แหมแค่คืนแรกก็จะท้อถอยกลัวมันตายว่าเรากลัวมันแล้วก็เมื่อคืนนี้เราเรื่อยไปนะไม่ พักบําเพ็ญภาวนาอยู่ตรงนั้นน่ะต่อ เห็นม้าสีขาวตัวใหญ่เดินเลี่ยงห่างออกไปท่านก็เอามุงกลดลงแล้ว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 อยู่ห่างท่านในช่วงประมาณสักกว่าเสร็จๆหลวงปู่ตั้งใจว่าจะต้อง ผู้ชายคนนั้นเก็บงูทั้งหมดใส่ลงในถุงใบใหญ่เกือบเต็มถุงแล้วก็เดินหายไปหลวงปู่มองดูที่เดินจงกรมหมด ไปจากทางเดินจงกรมแล้ว 4-5 คนหลวงปู่ก็ไม่ได้สนใจว่า หลวงปู่เดินจงกรมต่อไปจนๆชาวบ้านก็เล่าให้พระ ต้องการให้เจ้าหัวธรรมหนีไปซะจากที่นี่ทำไม แล้วถึงกับพูดแบบผีมันโกหกเฉยๆ ให้เป็นที่พักสงฆ์เป็นการถาวรต่อ ในโลกเนี้ยคนที่ตกเป็นทาสของมันมีมากเพราะว่าขาดจากการเข้าถึงพระรัตนตรัย ลูกศิษย์ลูกหาใกล้ชิดยืนยันว่าหลวงๆในโลกนี้ เรียกรวมไปหมดว่าผีความจริงผีหรือวิญญาณๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อเรอย 4 อย่างนี้มีครบอยู่ เศร้าโศกเสียใจมองไปทางไหนก็เศร้าหมองเศร้าใจแต่เวลาเกิดกราบหัวเราะชอบใจดีใจนะคน ว่าในช่วงที่ท่านไปพักจำมันสาอยู่ที่วัดอ่าวัดพระธาตุแตงโม ชาบ้านก็บอกท่านว่ามีผีเจ้าที่อยู่ตรงนั้นบ้านก็บอกท่านว่ามีผีเจ้า 30 ปีแล้วทราบ โดยมากเป็นทหารเฝ้ารักษาประตูวัง มีทั้งผู้ชายผู้หญิงหลาย 10 เสียงได้ยินเสียงตักน้ําได้ยิน 7 วันแต่ว่าเข้าไปไม่ตลอดเพราะว่าข้างในมืดและอากาศเย็นมากปรากฏปวดหูให้เห็นทีนึง ท่านเป็นที่เคารพนับถือได้เลื่อมใสของ 7 วันถึงๆก็ไม่ปรากฏว่าเห็นมี ท้องใหญ่ที่ชาวบ้านได้ยินทุก 7 วันก็ไม่เห็น ท่านก็ถามโยมว่าพวกโยมเนี่ยมาอยู่พระก็ถามต่อไปว่าเอ่อเมื่ออาตมาเข้ามาก็เดินผ่านทางนี้ทําไมถึงพระว่าท่านมา โยมคนนั้นก็เดินไปหยิบคล้องมาให้ดูใบก็ไม่ เคยมีคนเข้าไปในถ้ำแล้วก็ได้ของใบนั้น ศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศขอเชิญ ต่อร่วมบุญได้ที่อาจรยอดหมายเลขโทรศัพท์ 0ย์884 64ส ครับ